นั่นแหะคําว่าทำนั่นแหละสําคัญมากาศาสนาทำคําสอนคือดึงออกมาจากทำนั่นแหละมาเป็นรูปเป็นหมายป้ายทางออกไปเป็นแบบแปลนแผ่นถังแสดงออกมาเป็นลักษณะท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นฝ่ายเหตุให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนั้นแล้วจะประสบพบเห็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ผลก็คือทำผลอันแท้จริง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 กุศลธรรมมาคือความฉลาดไม่มีอยู่ภายในติดภายในตัวแล้วจะทำยังไงมันก็อย่างนั้นละ่ะยกมาตีกัมพี พ, พไระไตไปดฎกมาสวดจำนั้นก็เท่านั้นแหละเพราะสวดออกจากปากที่ตัางหากไม่จะไปตำรัดที่เลตต่างหากว่าความทั่วของคนผู้นั้นนั้นได้อย่างไงฮะทำท่านปราบที่เลตของของผู้บำเพ็ญธรรมต่างหากการทำบุญให้ทานในขณะที่ตายเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เป็นบุญไ ม, ไม่เป็นบุศล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 จะาทางถึงตัวจริงเมื่อถึงตัวจริงด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะพูดอัไนไม่สนใจฟังเพราะความจริงก็รู้อยู่กับใจนี่แล้วบบที่ต้องยากกาวเตือนว่ า, าการเดินตรงกรน่นเดินที่กีดที่สะถูกนะกีดายของการเดินตรงกรมก็เราก็เดินกลับไปกลับมาแต่ความมะลึกลูกเราให้ที่จิตทางานก็ให้ทํางานอยู่ภายใน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 ทับทังนี้มันก็จะหนักทางด้านนี้ไม่เสมอถ้าเรานั่งขัดสมาร์นี่มันเสมอความกดของส่วนร่างกายกับพื้นนึงก็มันเสมอเหมือนกันนี่เราจะเห็นคุณค่าในการนั่งขัดสมาสมาธินี่ยในเวลาที่เรานั่งนานพ้าเรานั่งแล้วพอมันพอมันเหนื่อยแล้วก็พลิ้วเสียพลิวเสียนี่เราไม่ทราบแตาก็ เ, เห็นความสํางัญรต้องการ น, นั่งขัดสมาร์ทเวลาเรา n a n นน า, นานนึง มันมันลงเสมอกันขณะที่กาหนดจิตมาพุทโธพุทโแจเป็นที่จะต้องทราบตัวไหนแตกขออกครับเราต้องการทราบก็ได้ก็ได้ไม่ถัดข้องไม่ไม่เป็นอุปจักต่อกันแต่าเวลากหนดจิให้าบพุทโพุทอย่างเดียวอาจย์อยู่กัพุทอย่างเดียวโดยที่ไม่รับกครียนถึงลงเข้าออกจะไม่แตจะเป็นการที่ด่อยอันนี้เป็นตามมัสัยของ